ทำกันพ่อจะพูดให้ฟังยังมั่นใจว่าทุกคนจะต้องพบเห็นกับธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราสามารถทำได้ไม่ได้เริ่มต้นก็เราจเจริญสติความรู้สึกความระลึกได้ ลองรู้สึกคนว่าเลอกได้น่งก็มีกันได้ทุกคนเพราะว่ามันเกิด อ, อยู่ที่กายที่ใจเราเราก็เอากายเอาใจเราเนี่ไปต่อเอาเอาสติมาต่อกับกายเอาสติมาต่อกับจิตใจเอากายไปต่อกับสติเอาใจไปต่อกับสติพอดีกันเลยเอา่า ่าไปต่อความหลงบางทีมันราจจะกินกับความหลงมั า, าจะสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่กายมันก็พัดไปสู่ความหลงแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ได้ยิ่งดีเวลาวันหลงเราได้รู้สึกตัวนต่ยิ่งดีมันสมจิต ส, จสมใจสมปรารถนา ความหลงกับความโูภเวลาใดมันหลงไในโลภสึกตัวเนะ่ยมันชัดเจนกว่าเราไปออกมาเห็นความหลงนั่นละทําให้เกิดความโูภทําให้เกิดบรรลุธรรมได้เวลาใดที่บันทุกเวลาใดที่มันทุนกโูภสึกตัวขึ้นมากนะอดีกันเลยอาจจะได้บรรลุธรรมตรงนั้นด้วย อย่าไปคิดว่าบรรลุธรรมก็ต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บรรลุธรรมคือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเมื่อเราจะมาตรฐานมั่นคงแค่ไหนเพียงไรแต่ว่าเราจะเก่งตอนที่เราเปลี่ยนอ้าไม่รู้จะเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนโลกอะไรทุกอย่างมาเป็นรู้อ่าไม่ เป็นไปได้ยากการที่จะเห็นธรรมการเห็นธรรมก็เห็นลักษณะแบบนี้ครับไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นโล่นั้นไม่ใช่เห็นธรรมเราเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมแล้เห็นความรู้สึกพอเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้มันก็ได้ทางสะมาที่ผ่านไปได้หลายอย่างถ้าตั้งต้นจากตรงนี้เราตั้งต้นจากความรู้สึกตัวใ น, ะนทางเป็นไปได้ เมื่อเราพบทางมันก็ต้องไปได้แต่ทางมันก็ไม่ต้องตันแต่มันตันมันก็ไปไม่ได้ผมรู้สึกตัวเหมือนเปิดทางเปิดของที่คว่ำให้หายขึ้นเปิดของที่ปิดให้เปิดออกผมรู้สึกตัวมักจะเป็นอย่างนั้นสัมผัสดูแล้วนะั ก็เป็นคนละเรื่องกับความหลงกับความทุกข์กับความโกรธกับทุกอย่างที่มันไม่ใช่ความรู้นะตรงกันข้ามกับทุกอย่างอันที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่ถ้าความรู้สึกตัวนะก็เป็นตัวเฉลยได้ทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรอมันก็เป็นปัญญาปัญหาก็เป็นปัญญา มันเปลี่ยนนะว่าแต่เราสร้างตัวรู้ให้เป็นก่อนที่มันจะมีความรู้เป็นตัวเฉลยเราต้องมีความรู้ก่อนไม่ใช่ไปคิดเอานั้นากเรามีเงินก่อนจะได้ใช้เงินเราต้องหาเงิน <c oughs> หาเงินมีอยู่ในกระเป๋าเราก็ได้ใช้เงินกับคนที่ จะได้ใช้เงินหนักอันไม่มีเงินมันก็ใช้ไม่ได้อยากได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้เหิวข้าวก็ต้องเหิวอยู่คนที่ไม่มีเงินในกระเป๋าเวลาหิวข้าวก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆกลัวแต่ว่ามันไม่เหิวแต่มันหิวนี่ยก็มีโอกาส <c oughs> ดีนาะทีทองหมืนพ่อแม่ ได้ยินลกูกบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวเรโอ้ยชื่นใจเราแม่เลี้ยงลูกอ่อนรีบปรงอาหารให้ลูกกินความรลู้สึกตัวเน่เหมือนอย่างนั่นแหละแต่ได้ลู้สึกตัวล้วก็มันก็มักจะเกิดความชอบ เกิดสมาธิได้หลายอย่างตามกำลังของสติอ้าแต่เราสร้างตัวนี้ลหละให้มันมีเป็นหลักเป็นหลักเป็นเครื่องมือก่อนไม่ต้องไปใช้สมองเหตุผลเราสร้างตัวโล่สร้างตัวลูกเรื่อยไป เอไปมามันก็ไม่ได้สร้างดอกตัวลูกในตัวลูกมันก็สร้างตัวลูกปเองเหมือนไม่เหมือนวัสดุอุปกรณ์ในตัวลูกมันก็สร้างตัวลูกเพราะมันอยู่ด้วยกันตัวลูกกับตัวหลงมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราหัดเสีอก่อนหัดแต่มันง่ายที่จะรู้ แต่ก่อ น, นมง่ายที่จะหลงอะไรๆก็หลงมาก่อนบางทีออกหน้าออกตาความหลงนะี่ยมันเคยไหลไปทางนั้นแต่นี่เรามาหัดสร้างหัดลําดับหัดลำำํานําให้มีความรู้เพรมันเกิดอะไรขึ้นความรู้มาก่อนผมหลงมาไม่ทันความรู้ คูา ม, มาถึงก่อนเรียกว่าสติสัมปชัญญะอาจารย์พุทธทาสว่าจะเรียกว่าสติเนี่ยยังมันยังไม่ชัดดอกเรียกว่ามาก่อนมาก่อนสิ่งที่มาก่อนอยู่กับกา ย, ยกับใจของเราต้องเป็นสติมาก่อนมันจึงจะ ทันการมันจึงจะก็บปวดไัยเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องมาก่อนเวลาลูกเกพัดตกบ้านตกเรือนมีภัยอันตรายพ่อแม่ถึงก่อนแต่พ่อแม่ถึงก่รนถึงลูกก่อนก็ปรดไัยจึงจะเรียกว่าพ่อแม่จึงจะเรียกว่าผู้เลี้ยงดูมีอุปการะคุณ ผมรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวประกาลคุณเทียบเท่ากับแม่กับพ่อของเด็กน้อยของลูกอ่อนของละอ่อนอะไรวะนี่เราหัด <c oughs> เอาไปมามันก็มันก็หัดตัวของมันเองเหมือนคนรักษาศีลทีแรกต่อไปต่อไปศีลมันจะรักษาเรา เราสร้างสมาธิต่อไปสมาธิมันจะสร้างเราเรามีปัญญาปัญญามาจะช่วยหลรงทําใหม่ๆก็ต้องหาต้องหามาประกอบเบาถือความหลงมาเออดึงความรู้สึกตัวมาช่วยบางทีก็ต้องเอานิมิตช่วยให้มันเกิดความรู้สึกตัวเห็นมันหลงไปมันง่วงก็เอานิมิตตบมือยกมือลำดับรู้สึกรู้สึก หรือว่าวดสินรู้สึกรู้สึกรู้สึกนีช่วยทำใหม่ใหม่เหมือนกับ <c oughs> หัดฉีดหัดเขียนหัดฉีดหัดเขียนนี่ <c oughs> เน้นทำเบ า, าไม่เป็นเน้นดินสอเน้นช็อกก่อนเขียนกระดานกระดาษหิน เอาเหินมาทำกระดานเอาไม้มาทำกระดานเอาเหินมาทำกระดานเขา เ, าเห็นมาเขียนเม้เนจนหินบาดเห็นจนเป็นร่องไป เ, เขียนใหม่ๆเ <c oughs> อเขียนไปแล้วมันก็ บ, าบาก๊บๆก็ตาช็อกถึงซอหนังคีดไปจนหมดไปเลยแหลมเอาเหลมเอา ต่อไปต่อไปมันก็ไม่ต้องไม่ต้องมีกระดานเลยต่อไปเพราะมันมันเป็นแล้วเขียนในอากาศก็ได้อย่างการสอนเรื่องให้เด็กมีไอเดียมีเชาดีก็ให้เ ข, เขาเขียนอากาศเขียนแบบไหนเขียนเหล็กแปบ เขาเขียนกลับไปกลับมาให้มันทันตรงนี้ให้มันทันตรงนห้เขียนกลับไปกลับมาเขียนกลับไปกลับมามันจะมีสมองฝึกสมองของเด็กถ้าเขาเขียนภาษากระดาษไปแล้วเขาเขียนอากาศถ้าเขียนอากาศ เ, เป็นกลับทีกลับไปทางหนังแล้วกลับมาทางหนังในเว่าสักสองนาทีสามนาที การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันมันเป็นทำให้มันเป็นนะไม่ใช่มันรู้นะการสอนวิชาอื่นสอนให้รู้ทั้งนั้นแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยสอนให้เป็นไม่ใช่สอนให้รู้นะสอนให้เป็นทำให้เป็นระหว่างกายระหว่างใจอยู่กับสติทำให้เป็น ไม่มันมีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆมีแต่วความรู้สึกความลึกลึกได้ทั้งกายทั้งใจกายใจก็เป็นความรู้สึกความลึกลึกได้ไม่มีอะไรตรงนั้นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตรงนั้นแหละกรรมมันก็จำแนกไปเองเราจะมาฝึกหัดไม่ต้องใช่สมองไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลแล้วได้อ่าทำไปอ่สบายเลย การฝึกกรรมฐานเป็นการฝึกที่ที่ง่ายที่สุดตามวิธีฝึ ก, กอื่นหลายๆยอย่างแต่บางทีเราไปตั้งเอาไว้ <c oughs> มันทำยากยังไม่ทำก็ยากยังไม่ผิดก็ผิดยังไม่ถูกก็ถูกยังไม่ได้ก็ได้ยังไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเอาผิดไปเอาถูกไปเอาได้ไปเอาไม่ได้มันก็จึ่งยาก ความมันหลงก็บอเ อ, อ้าผิดแล้วมันไม่ใช่ความหลงมันไม่ใช่ผิดมันเป็นความรู้ต้างหากถ้าหลงเหรอเนื่อว่าเราผิดมันหลงสองต่อถ้าทุกเนื่งว่าเราทุกมันทุกสองต่อหรือว่าซุปเปอร์ทุกหรือว่าดับเบิ้ลทุกแล้วมันหลงก็บอกโอ้ยเราหลงอีกแล้วเอามือมากอ์หัวไม่ชอบความหลงเอาไปอีกแล้วไปไกลแล้ว ไม่อยากแค่มันหลงทําไมมันจึงหลงเอาไปอีกแล้วไปไกลอมันหลงเพรู้เท่านั้นเองลงหลงมันไม่มีอะไรถ้ารู้สึกตัวมันหลงเพื่อรู้เท่านั้นเองแล้วความหลงเพื่อรู้มันยากไหมมันไม่ยาก <c oughs> มันไม่ยากเมื่อเรเราไล่ ย, ยง เราไม่ยากเหมือนก็เราปลอกกล้วยมันลงเราก็รู้นะมาอยู่ด้วยกันแต่มันทุกข์ก็รู้ก็อยู่ด้วยกันจึงเป็นธรรมะธรรมะนะทุกคนปฏิบัติอยู่แล้วความรู้ก็มีอยู่แล้ว ความโลภศึกตัวมันช่วยเรามาตั้งแต่นานแล้วความไม่ทุกข์มันก็ช่วยเรามาความไม่โกรธมันก็ช่วยเรามาแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ น, นี่เรามาตั้งทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาให้มันจเจริญได้มาตรฐานเต็มที่มาตรฐานของธรรมกับธรรม ทำย่อมชนะธรรมนะอย่าไปคิดว่ามันยากอย่าคิดว่าคนนั่นสอนคนนี่ไม่สอนคนนั่นทำสอนดีคนนี่ทำสอนไม่ดีเลยไม่ต้องคิดเลยเลยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นแลอวเอาไปมาคือตัวเองสอนตัวเองเชนเราเช่นเราลุยจักหลงโพเทียนเรารู้จักรยังไงเรารู้จักรหลงโพเทียน เรารู้จักหลวงพ่อเทียนสอนยกมือสร้างจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะแล้วก็มีชมนองเทศหลวงพ่อเทียนสอนเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้รูปลักษณะของหลวงพ่อเทียนเต็มรูกที่น่ารักยังไม่ได้ยินเสียงพูดก็น่ารักแล้วคนมืองเลยมืองลาวดูหน้าตาไม่มีพิษไม่มีภัยต่อกัน พอเห็นแล้วก็เออเปิดศรัทธาก็แม้ว่ายังไม่ใช่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอายุเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นคนคนผมลมนอบ้าโน่ น, นบ้านนี้อ้อยังไม่ใช่หลวงพ่อเทียนจริงๆต่ันที่เรารู้จากหลวงพ่อเทียนเรามาสร้างความรู้สึกตัวเวลาเราหลงเรารู้สึกตัวโอ้หลวงพ่อเทียนทําอย่างนี้รู้หลวงพ่อเทียนในลักษณะแบบนี้อะไรมัน เกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่ความโลภเรารู้สึกตัวนั้นหลงโพเทียนตรงนั้นจึงจะรู้จักหลงโพเทียนไม่ใช่รูปแบบของการสร้างจังหวังถ้ามันหลงก็หลงไปไม่รู้จักหลงโพเทียนเลยนเราจะอยู่กับหลงโพเทียนก็แค่ด้อยู่กับหลงโพเทียนถ้ามันหลงเรารู้สึกตัวรู้สึกโอ้ยเราอยู่ที่อื่นคนละจังหวัดคนละประเทศก็ถือว่าหลงโพเทียนกนะันจนเห็น ห็รูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำเขาโลดจากหลงผเถียนเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์เห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญฏติเห็นวัตถุอาการเห็นปรมัติ์เห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาทำลายของโลกของโกรยโลกความหลงหลงได้บ้าง จะลาดขึ้นเปลี่ยนเป็นสมาธิโอ้ความโลภความโกรธความหลงบอบบางหรือหมดไปเกิดสมาธิิเกิดความเมตตากราขึ้นมาเออหลงพอเถียนโอ้หลงพอเถียนไปอย่างไีหลงพอเถียนหลงพอเถียนไม่ใช่รูปใช่ตัวใช่ ต, ชตนเหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นตามที่หลงพอเถียนสอนนะ่ะผู้นั้นเห็นหลงพ่อเถียนเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรม ควเพ็นทางกิตไม่เสติดูจิตมีจิตดูกิตดูเป็นโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้ทางไปนี่หลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้ไปอย่างนี้โอ้หลวงพ่อเทียนเฉลาดเห็นเหมือนเห็นที่หลวงพ่อเทียนพูดโอ้รู้จากหลวงพ่อเทีย น, นเอาไปม า, มาคือเห็นอะไรคือเห็นธรรมเห็นธรรมที่จริงเห็นธรรมที่ไม่จริง เห็นความจริงมีอยู่ในความไม่จริงในความไม่จริงมีอยู่ในความจริงเช่นไตลักมันไม่เที่ยงมันจริงแบบมันไม่เที่ยงแต่มันก็จริงแบบมันไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบมันไม่เที่ยงมันจริงแบบมันไม่เที่ยงโอ้ยพูดฟังแบบนี้ฟังยากความเป็นทุกข์ มันก็จริงแบบความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์มันก็ไม่จริงแบบความเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเลยนี่ของสมมุติของบัญญัติวัตถุต่างๆเห็นอย่างเนี้ยรู้จากะลองพอเทียนหรือปล่าอยู่ที่ไหนคือเป็นหลงพอเทียนแม้หลงพอเทียนมรณภาพไปแล้วสิบเกตุปี แล้วก็ยังเกลียวอยู่หลงโอเถียนใอ้วันที่สิบเก้าวันที่สิบแปดสิบเก้าว่าจะไป <c oughs> ไปดูสักหน่อยเพราะวันที่สิบเกต์นี่เป็นวันที่เขาศกหลงโพเทียนที่เมืองเลยลก็เลยถือว่าวันหลงโอเถียนปฏิบัติทุก ป, ปีแต่ถึงวันที่สิบเกต์ถึงวันที่ถับจากสิบเกต์ไปเกตวันนัะ การปฏิบัติธรรมเราเรียกว่าวันหลงพอเถียนแจะมีใครรู้จักหลงพอเถียนในลักษณะแบบแนหรือว่ารู้จักฟังเสียงทันเทศฟังลูบล่างลักษณะกําเนิดเกิดขึ้นเป็นยังไงว่าภูมิลาเนาอยู่ตรงไหนเว่านั้นไม่ใช่ <c oughs> การปฏิบัติธรรมมันต้องมันต้องเป็นการสัมผัสแม้แต่เป็นตัวเป็นตนก็เป็นการสัมผัส สัมผัสลดลดของหลงคอเทียนคำพูดหลงคอเทียนเป็นลถที่มันมีอยู่กับเราลดพฤตธรรมย่อมชนะรถทั้งพวงแต่เราจะพูดว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนนสอนให้เรารู้จักธรรมะรู้จักพระพุทธศาสนารู้จกักศีลรู้จักธรรมรู้จกักกุลรู้จักบาป รู้จากตัวเองรู้จากรูปธรรมนามธรรมรู้ลหลายหลังจนไม่มีอะไรรู้ในกายในใจเปิดออกมาหมดเลยนะเปิดหมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ทั่วรู้จริงๆที่มันกวดร่างจริงคือสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์โชที่สุดตีอยู่ไหนโชเป็นอันว่าโชวความทุกข์ จนพระบุรุเจ้ามีแตท่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแตท่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแตท่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรนั่นตัวทุกข์มันจึงโชมโชมากๆากแต่วันทุกข์เวลาใดี่วันทุกข์ก็ก็เจี่ยวข้องกับมันให้เป็นให้รู้สิตัวตรงนั้นด้วยอย่าพัดเข้าไปอยู่ในความทุกข์อย่าพัดเข้าไปอยู่ในความหลงอย่าพัดเข้าไปอยู่ในควา ม, าาวามโกรธ ลู่จึกตัวลู่สึกตัวนะแต่ว่าถอนตัวเหมือนช่างตกหลมพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับช่างเวลามันตกหลบแล้วมันย่อนขาลงไปมันก็ถอนขึ้นมาไม่ใช่ไปปล่อยให้เึงจมลงไป <c oughs> จมลงไปแล้วมันจมตกหลมก็ถอนตัวออกมาหัวควายก็ะมานกัน ไม่มีควายตัวใดที่จะตกกลมเราจมลงไปเลยทอนพอมันทอนไปขึ้นคุปเ ข, าเเขา่าเดินเข่าแล้วเดินเข่าไม่ได้ก็ล้มล ง, ลงนอนนอนหลับกิ้งตัวไปพลิกตัวดังๆพลิกกลับไปพลิกกลับไปจนเดิเข่ายังรัวเมื่อมันไม่จมลงอีกก็จึงค่อยลุกขึ้นมาเคยเป็นเด็กสมัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดี๋ยวก็เรียกว่าโทม แต่ก่นบ้านบ้านหลวงพ่อนะ่ะมันเป็นป่าเป็นดงเวลาไปเลี้ยงควายเนะี่ยเวลามันเป็นโทมเวลาไล่ควายข้างโทมนะ่ะมันจะหลบมันจะหลมปุบปับปุบปับปุบปั บ, ปบไปว่นนาหน้ามันขังอยู่พื้นพืน้นเลนฮนะเวลาขี่ควายไปไปมันหลมปั๊บมันก็เก้าวหนึ่งก็หลบก้าวสองก็หลมก็คุกเขา่าคุกเข่าเดิน แตคุกเข่าเดินมายังหลบมันก็พลิกตัวขึ้นพลิกตัวขึ้นก็สะบัดตัวเอาเขาเอาเขาเกาะเข่าเกาะควิดตัวไปเราก็ต้องลงก็ช่วยตัวมันก็ลุกขึ้นม า, นาควายตกล่นช่างตกล่มพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่มีทุกข์ไม่รู้จกถอนออกมาถอนออกจากความหลงถ อ, อนออกจากความโกรธถอนออกจากความทุกข์ บางคนยิ่งจมลงไปถ้าทุกข์เท่ายังยิ่งดีคิดแล้วคิดอีกเรื่องทําให้ทุกข์เรื่องทําให้หลงไม่หลงก็หาเรื่องที่จมาให้หลงไม่โกรธก็หาเรื่องที่จะมาให้โ ก, กรธคนโกรธก็พอยใจพอใจอยู่กับความโกรธคนทุกข์ก็พอยใจไม่เหมือนช่างตกหลงถอนตัวออกมาการรูสิ่ตัวเหมือนกับถอนตัวเป็นเครื่องมือที่ช่วยถอนออกมาเวลามันหลงดีดี นะมันไม่ใช่ไม่ดีนะความหลงอะ่ะมันดีชื่นใจเวลามันหลงโอ้โหมันอยู่นี่เลยกลับออกมารู้สึกตัวการสร้างจิตวิญีาโอ้ยดีที่สุดเลยเป็นพลังงานที่ฉุดออกมาได้ไวแต่เป็นกำลังกำเป็นกำลังเครื่องทุนง่นแรงการยกเหนืสร้างจิหว่าถึงเครื่องทุนง่นแรงทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาได้ งนอนๆหรือลกขึ้นมาปั๊บขึ้นมารู้ขึ้นมาปั๊บขึ้นมาเออเป็นอย่างนี้นะเคยพิสูจน์เคยทดลองกับความหลงเคยทดลองกับความทุกข์เคยทดลองกับกิเลสตัณหาลาคะไอ้วันครอบกับกิตใจของเรารู้สึกตัวเลยเพียนตรงนี้เพียนตรงนี้ เวลามนเกิดกิเลสตัณหาลาคะไม่เพียนรู้สึกตัวมันก็จมลงไปจนหมดเนื้อหมดตัวรับใช้หมดเปลือกตอนที่สุดก็ไม่ได้ฝึกตนเองต่อความโลภความโกรธความหล ง, งกิเลสตัณหาลาคะได้กินได้เหยื่อมันก็สบายเราก็นึกว่าเราเอาไม่อีกมันก็เมื่อมันเป็นดีก็เอาอีก มันหลงก็หลงไปไม่เพียนรู้เวลามันหลงเพียนรู้เวลามันทุกข์เพียนรู้เวลามันโกรธเพียนรู้เวลาใดมันพยาบาทเพียนรู้เวลาใดที่มันเกิดกรรมมาละค้ปฏิฆะมาหน้าทิฐิเพียนรู้เพียนรู้ขึ้นมาเมื่อมันไม่เกิดก็รู้ไปเรื่อยๆไปไม่ดีถ้ามันไม่เกิดไม่มีรสชาติแล้วมันเกิดหลงเกิดทุกข์เกิดโกรธดีมัน ประสบการณ์มันปรับตัวของมันการปรับตัวของมัน <c oughs> มันเป็นธรรมชาติตั้งน่งเหมือนกับ <c oughs> นาทีมันช่วยตัวเองนาะถ้าเราหัดให้มันช่วยตัวเองถ้าเราหัดไม่ให้มันช่วยตัวเองมันก็ช่วยตัวเองไม่เป็นแม้แต่เราหัดต้นไม้เนะี่ย เราปลูกต้นไม้ถ้าไม่หัดให้มันเข้มแข็ง ม, ม, มันก็อ่อนแอได้ต้นไม้อย่างต้นนี้โครดอยู่วัดภูเขาทองภัจนสรสายหยุดคงเห็นต้นใหญ่มันมีจริงอ่อนลงไปใบทั้งนันก็ัมท่าจะรากดินแต่มันไม่รากมันยังโชว์ขอกันแต่ว่า กิ่งมันอ่อนไปไนะแต่ว่ายอดมันยังขึ้นอยู่มันไม่ลากแต่ว่าอ่อนกิ่งมันเนี่ยมันอ่อนกไปเราคนเดินไปมาจะชนเพราะมันต่ําของพ่อก็เอาไม้งามไปคั่มไว้พอกางไปค้่มไว้ยอดมันไม่ไม่ไม่แบบนี้เลยมันเลยไปแบบนี้พองกางไปคัาติมันมันก็อ่อนลงไปแบบนีล้ลากดินไปเลยอะ ลากดินไปเลยพอไปคำอีกทีหนึ่งเอามันก็ลากดินเอีกคที่สุดเลยได้ตัดเท่งจะตัดเท่งไปเลยจริงไหมจางนั้นไม่ช่วยตัวเองก็มันก็อ่อนลงไปเลยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเลยพอจริงอื่นมันจะเป็นเหมือนจริงนี่ไม่ไม่เอาไม่ช่วยมันเลยปล่อยให้มันช่วยตัวเองขึ้นได้เจ้า บางทีเราปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปมันก็ขี้เกียจไม่หายกินอันนี้ก็เคยสร้างป่าสวนหมเน่กับสวนมะม่วงัดผูเขาทองกับสวนมะม่วงที่นน่ลำไยมกไปทยสมัยก่อนไม่ไม่คีแมวพ็จบเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วบอกว่า ต า, ามแบบของเกษตรสมัยใหม่เขาขุดลึกห้าสิบข่วงห้าสิบยาวห้าสิบใส่ปุย๋ยดินปากลุมดินค้นหลุมใส่ปุย๋ยอย่างนั้นทำ น, น้น้ำในขึ้นมาหลวงพ่อก็เคยเรียนรู้ไปแล้วไปขี่แมวเขาบอกว่ามันเสียนิดใส่หลวงพ่อต้องปูกกั่นี้แหละให้มันขยันใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยแต่น้อยไม่มากเกินไป ก็เลยไม่มีต้นไม้แถวในใส่ปุ๋ยเลยไม่มีเลยแล้วขึ้นอยู่เนี่ยถ้าไปดูต้นไม้ที่เขาใส่ปุย๋ยเนาะพอนาแรงมาก็เสาหรือจองมันอย่างอ้อยเนี่ยถ้าอ้อยสวนไหนที่ใส่ปุ๋ยมากพอขาดผล น, นิดหน่อยก็ตายไปเลยถ้าอ้อยแปลงใดที่ไม่ค่อยใส่ปุย๋ยขนาดแท้งขนาดไหก็ยังเขียวอยู่ ชีวิตเราบางครั้งก็ปล่อยให้มันเศร้ังน้อยอย่าอ่อนแอเวลามันกลายเป็นทุกข์ใจก็อย่าอ่อนแอยิ้มลองดูสิเวลาใดมันทุกข์หัวเลาะความทุกข์ได้ไหมหัวเลาะความโกรธได้ไหมหัวเลาะความหลงอย่าซ้ำเติมเติมถ้ามันทุกข์ก็เศร้ามันซ้ำเติมตัวเองถ้ามันทุกข์ยิ้มยิ้มองูหัวเาะความทุกข์ โอ้ผมทุกข์เปนเนี่เนาะบ้าเออแค่นี้ก็ทุกข์แล้วทัา น, นี้ก็โกรธเลยเขาว่าแค่นี้ก็โกรธแล้วเนะี่ยแค่นี้ก็โกรธจะไปอยู่ที่ไหนได้ในโลกเนี่ยโอ้บ้าเออเยอะดีไหม ย, ยันใจเยอะนะพัก <c> ก <oughs> ันเถอเออมันก็ดีมันช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองช่วยตัวเองเป็นอย่างนี้นะการฝึกตนนะ่ะไม่ใช่อะไรก็โ อ, โอ้เราเลี้ยงลูกแตลูกวิ่งล้มลงไป ลองให้พ่อแม่ก็โอ้ยตายแล้วลูกกูไปเอาขึ้นมาเวลาลูกทำน้ามหกรีบไปช่วยลูกมันก็ไม่เก่งนะเวลาลูกทำน้ามหกแม่ก็บอกว่ า, อ า, าเอาผ้ามาแปะผ้ามาเค็ดเอาเก้วไว้ที่โน้นแล้วเก้วมันแตกจะ่เพิ่งไปโวยวาย อ่าไม่ต้องขวดเลยแม่อย่าไปโอ้ยทุกนั่นนี่ไม่ต้องดูแลก็อือไปเอาไม้ขวดมาไปเอากับวะมาเอาขวดใส่อะไรที่มันแตกไหนขวดมาเขาจะกวดเออโลกมันวิ่งล้ไม่ต้องโอ้คุปหนูคุปหนูเกง่งเก่งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโลกก่โล่งขึ้นเลยถ้าไปโอ้ยอะไรก็โอ้ยมัน อ, อ่อนเดไปเลย เรียกว่านิสัยไม่ดีเสียนิสัยคนทุกวันในเรื่องลูกเป็นจั ก, กรพรรดิทาอะไรไม่เป็นแล้วก็เขาก็เจก น, นะเขาเลี้ยงลูกสําเร็จไม่ยากเหมือนกับสมัยก่อนลูกของคนสมัยทุกวันเนี่ยเลี้ยงดีดีอ่าสองปีสามปีมีรถจักรยานห้าปีหกปีขี่มอเตอร์ไซค์อ่ามีอะไรเงินทองช่วยจ่ายคุ้มเพื่อคุ้มภ้วย ทำอะไรก็ไม่เป็นเลยปะนะเกิดบ้านไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นสักผ้าไม่เป็นเก็บข้าวเก็บของไม่เป็นกรจุยกระจอเสียคนไปเลยเรานี่ก็เหมือนกันเราเป็นอะไรเป็นจริตแบบไหนสแสดงว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหัดจริตของตัวโทเจริตโมหะจริตลาฆจริตครอบงำเราเรามาสร้างควารู้สึกตัวเราพุทธจริต เอาจริตแบบไหนก็ไม่ปวดหรอกบันเอาเอาตอนนี้ก็ได้เอาตอนนี้ก็ได้มันเคยมาอย่างไรราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตง่ายที่จะเกิดความหลงง่ายที่จะเกิดความโกรธง่ายที่จะเกิดกรรมราคะสติลงก่อยสติลงก่อนจริตแบบไหนก็เสร็จเลยดีบัดดีบัดโอ้โอเนี่ยตรงนี้ใช้ได้บัดมีประสบการณ์มีบทเรียนดี เพราะนั่นอย่ยไปอะไรก็ายากยากง่า ย, ย, ายาง่ายยากยากง่ายๆอย่ามีสำหรับนักปฏิบัติทำผิดผิดทุกทุกก็ไม่ต้องแนะเหนือทั้งหมดแล้วคนมีสติผิดก็รู้สึกตัวถูกก็รู้สึกตัวทุกข์ก็รู้สึกตัวสุข ก, ก็รู้สึกตัวรู้ ก, ก็รู้สึกตัวไม่รู้ก็รู้สึกตัวหลงก็รู้สึกตัวไม่หลงก็รู้สึกตัวตรงนี้นี่แหละเปะิดพติพมยจ นี่แหละมัทควิถีชีวิตของคนเราที่จะเข้าสู่ความมาตรฐานของชีวิตเรานะนี่ก็ถ้าภาคปฏิบัติมันก็มีเท่านี้แหละยกมาเคลื่อนไหวให้รูดสึบตัวไปถ้าเราไม่ตั้งตน้ตนตรงนี้มันก็ทําอะไรไม่เป็นถ้ารูดสึบตัวตั้งแต่ตัวมันก็เวลาใดที่มันไม่ใช่ความรูดสึบตัวตัวนี้ก็ช่วยรูดสึบตัวรูดสึบตัวอันเก่าก็ ผิดแล้วผิดอีกช่างหัวมันหลงแล้วหลงอีกช่างหัวมันไม่ใช่ว่าไม่ให้มันหลงความหลงมันก็ดีมันจะได้รู้องคนพอหลงก็ถือว่าไม่ได้ผลเลยไม่ใช่ความหลงนะถ้าเรารู้มันได้ผลเราทาไปมันเครียดไม่แต่เครียดก็ดีให้มันเครียดอยู่ให้มันนอนไม่หลับก็ดีดีจริงๆถ้านอนไม่หลับ ดีแบบไหนเราจะได้ทําความเพียรเราจะนั่งนอนอยู่กระเด็กนิว้วเล่นเล่นดีมันไม่หลับก็ดีจะได้รู้ตรงนี้จะได้ลูลอยู่นี่กลัวมันจะหลับง่ายเกินไปบางทีต้องขอว่าอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับยังไม่เตรียมตัวดีพ้ายังไม่เรียบร้อยหาเขียนยันงมไม่เรียบร้อยเผ้าล่องผ้าห่มยังไม่เรียบร้อยนอนถ้ายังไม่งามถูงดึงไว้ทั้งวันนอนปับ๊บ ท, ทําท่าเลย่าค่อยๆให้มันหลับไปมันจะเกิดดีพอนอนปับ๊บหลับปับ๊บไม่รู้สึกตัว ก็ดีมันไม่หลับก็ดีมองอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยปฏิบัปธรรมนะมีสติเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกไปแล้วปฏิปธรรมเป็นอย่างนี้ น, นำไปใช้นำไปใช้กับชีวิตเราได้ตลอดพบตลอดชาติจะอยู่ในภพภูมิแบบไหนก็ตามกวมรู้สึกตัวเนี่ยนม่ละเป็น การตัดเวรตัดกรรมเป็นการตัดเวรตัดกรรมได้ทุกอย่างสิ้นเวรสิ้นกรรมควมรู้สึกตัวก็นอนๆได้มานั่งอยู่ที่ไหนที่อยากให้เป็นอย่างนี้วัดป่าสุโกโตอยากให้เป็นอย่างนี้ทำวัดเช่าทำวัดเย็นเ จ, นเจดักอยากแก้พูดอย่างนี้ที่อยู่ก็อยากให้เป็นสภาพแบบนี้ถึงนี้อย่างนี้อย่างนี้ ไม่ต้องหรู้หรอพิ่มเพิ่อพิ่มเผื่อพออยู่แบบนี้ได้พวกเราก็ไม่ใช่อะไรแปลกมองอะไรก็มองแบบง่ายง่ายไป